ก็เข้าสู่การภาวนาที่เป็นรูปแบบก็ให้เราอาศัยความสงบที่เราช่วยกันสร้างขึ้นให้แก่กากันเป็นปัจจัย ในการช่วยสร้างสติให้เจริห่องงามยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะนั่งหรือว่าเดินหรือว่าทำอริยา บ, บทใดก็ตาม <c oughs> ก็เอาเอากายนี่เป็นหลักให้จิตได้รู้ ถึงลีบบดของกายไม่ว่าจะเป็นลหมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นท้องที่พองยุบไม่ว่าจะเป็นเท้าที่เก้าวเทินหรือว่ามือที่จับแก้วน้ำนํำดื่มน้ําหรือว่าทํากิจกรรมใดก็แล้วแต่ให้เป็นเรียกว่าอารมณ์กรรมฐาน ก็คือว่าเป็นที่ตั้งของจิตในการเพิ่มเติมความรู้ต้องรู้สึกท้องรู้ตัวให้มากขึ้นใจที่ไปรับรู้กายหรือว่าใจก็ดีเนี่ยหรือความรู้สึกไม่คิดก็าตามเนี่ยให้ไปรับรู้ อย่างเบาๆคือไม่ใช่ไปเพ่นไปจ้องบางบางคนเนี่ยไม่ชอบที่ใจมันฟุง้งซ่านอยากจะให้ใจมันสงบเป็นสมาธิก็ไปบังคับจิตให้ไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการบังคับจิตด้วยความอยากแต่ว่าการทำเช่นนั้นนะก็อาจจะทำให้ จิตมันพยศมันต่อต้านยิ่งไม่อยากให้มันคิดหรือวยิ่งพยายามห้ามมันไม่ให้คิดมันก็ยิ่งคิดมากขึ้นรำคาญเสียงอะไรก็ตามใจมันก็ยิ่งไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นจะ้ยิ่งไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นมีความพยายามอยากจะกำจัดเสียงนั้นออกไป ใจก็ยิ่งทุกข์นะที่จริงก็ไม่ต้องทำอะไรอะไรมากเพยแบบ ไ, ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจมันก็เดี๋ยวมันก็ไม่ลบปวดจิตใจไปเองพอใจก็จะไปหาเรื่องอื่นมาจดจ่อหรือมาคิดแทนถ้าเป็นธรรมดาอย่างนั้นให้เราเพียงแต่รู้ นะถึงกายที่เคลื่อนไหวใจที่คิดนึกถ้าใจไม่คิดนึกอะไรก็อยู่กับกายไม่ต้องไปเพ่งจะไปเพ่งที่กายก็ตามหรือไปเพ่งที่ใจบางบางทีเราไม่อยากให้ใจมันคิดก็เลยไปจ้องไปเพ่งไปดักมันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันออกมา คือไม่ให้ความคิดมันออกมามันมันออกมาเมื่อไหร่ก็ตะปบมันหรือเบรกมันทันทีอ น, นั้นนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกเพราะว่ามันทําให้เราลืมอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือการตามลมหายใจการเดินการทําวิทยาบทนั้นคือปัจจุบันไปดักไปต้องไปเพ่งด้วยความอยาก มันก็เท่ากับ ว, ว่าพลัดเข้าไปในความอยากแล้วไม่ได้อยู่กับปัจจุบันความรู้สึกมันอาจจะขาดช่วงไปบ้างเพราะความเผลอก็ไม่เป็นไรก็ลองยอมรับมันตามที่มเป็นแต่ว่าเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่กลับมาอยู่กับความรู้สึกอยู่กับอิทธิบท ให้ทำด้วยความรู้สึกแล้ด้วยจิตใจที่นุ่มนวล น, นะอย่าหักหารต้องหาทางก็ต้องรู้จักตะล่อมใจไม่ใช่บังคับหักหานปลดใจก็จะต่อสู้เราต้องใช้ความนุ่มนวลใช้ความอ่อนโยนหรือว่าการตะล่อม ใจเราก็ได้บรรยากาศเสียงวันรอมที่ช่วยตล่อมใจให้ให้ไม่ออกไปนอกตัวได้อยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าเราจะมีความฉลาดในการตะล่อมใจได้อีกหรือเปล่านะเจนนี่มัน มันไม่ยอมให้ใครมาบังคับนะยิ่งบังคับยิ่งสู้เหมือนกับหมาที่เราไปล่ามันเอาไว้ไปบังคับมันเอาไว้ไปผูกมันเอาไว้มันยิ่งกลายเป็นหมาที่ดุ ก, นะการที่ฝึกให้เขาเชื่องนีไม่ใช่จะทำแบบรวบรัดหรือว่าเร่งรีบต้องใช้เวลา ถ้าเราขังมันเอาไว้มันก็อยู่กับเราชั่วขณะแต่พอลืมขังมันแล้วมันก็ออกไปแล้วก็บินเตลอดเปิดเปิืองไปไปตา ม, มาล่าลตามกลับมาลำบากบางทีรลอยต้องใช้วิธีเรียกว่าไม่ต้องขังปล่อยให้มันวิ่งอยู่ในบ้านแต่ว่ามันออกนอกบ้านเมื่อไหร่เราก็เรียก ใหม่ๆใช้เวลานานกว่าจะเรียกกลับมาแต่ว่าเมื่อเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆเขาก็จะรู้หน้าที่แต่ก่อนเรียกนี่ใช้เวลานานกว่าจะกลับมาแต่พอเรียกบ่อยๆก็ไม่นานก็กลับมาแล้วจนกระทั่งถ้ามันกลายเป็นนิสัยของเขาเป็นแล้วนี่เพียงแค่เขาก้าวออกจากบ้าน ในกิดเก้าเขาก็รู้เราเลิกขึ้นมาได้กลับกลับเข้ามาบ้านโดยที่เราไม่จเป็นต้องไปเฝ้าดูโดยซ้าเพราะมันกลายเป็นวิสัยของเขาไปแล้วนี่คือการทําให้เชื่อโดยที่ไม่ต้องไปทําให้เชื่อให้อยู่บ้านโดยที่ไม่เป็นต้องไปบังคับถ้าเราไปบังคับเขาก็จะดุแล้วเขาก็ถ้าไม่ไม่ผูกไม่มัดเมื่อไหร่ก็ ไปเมื่อ น, นั้นหนีเมา น, นั้นจิตของเราก็เช่นเดียวกันนะจิตที่ไม่ได้ฝึกก็จะชอบเที่ยวทอบท่องออกไปข้างนอกแล้วก็หาเรื่องกลับมาที่บ้านเหมือนกับวัยรุ่นที่ลูกวัยรุ่นที่ออกไปไม่เป็นเวลาเวลากลับมาก็หาเรื่องร้อนเรื่องลําบากมาให้พ่อแม่ต้องปวดหัวต้องกุมใจไปที่ไรกลับมามีเรื่องมีราวทุกที ใจที่จลจักรก็เป็นอย่างนั้นหรือว่าใจที่ถูกสปอยก็เป็นอย่างนั้นถูกตามใจจนเสียไปคิดสารพันร้อยแปท่องเที่ยวไปทุกที่ทุกทางเสร็จแล้วกลับมาก็เอาเรื่องเลือดร้อยมามาให้เราไปเอาเรื่องแนวดียมาคิดไปเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาปรุงนะ แล้วเราก็เลยกลายเป็นทุกข์เพราะใจที่ถูกสปอยนี่เราก็พพี ย, ายามฝึกวิธีการฝึกก็ก็คือการฝึกความมีสติคือต้องเรียกเขาอยู่บ่อยๆเขาเผลอไปอ้าวรู้ตัวเมื่อ่ให้สติพากลับมาเผลอไปไกลแค่ไหนอดีตก็ตามนันกก็ตามพอ สติรู้ตัวสติก็พากลับมานะเมื่อถูกสติพากลับมาบ่อยๆก็จะมีความไวก็รู้หน้าที่หรือเชื่องต่อไปก็ไม่ไม่เผลง่ายหรือว่าไม่ท่องเที่ยวภายในง่ายนะก็อยู่เป็นที่เป็นทาง นี่เป็นการใช้วิธีที่เรียกว่าใช้วิีแบบไม่หักหายแต่ว่าใช้ความเพียรเป็นการกคอยตัดร่อมให้เขาเกิดความเรียกว่าเชื่องขึ้นมาหรือว่าอยู่เป็นที่เป็นทางก็คืออยู่กับบ้านคืออยู่กับใจ หรือว่าอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดขึ้นมาลมหายใจอิเล็กบรการขึ้นไหวฟูบาจาร์บางท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าพาควายพาวัวออกไปทุ่งในกรอบที่จะถึงทุ่งก็ต้องเดินผ่านก็ต้องเดินไปตามทางวัวก็อยู่ข้างหน้า เด็กเลี้ยงวัวก็อยู่ข้างหลังก็คอยดูให้วัวเนี่ยเดินไปตามทางแต่วัวที่ไม่เชื่องมันก็จะชอบออกไปนอกทางไปกินหญ้าไปกินใบไม้ใบไม้ข้างทางคนเลี้ยงวัวก็มีหน้าที่เรียก ให้วัว น, นั้นกลับมาเดินอยู่บนทางแต่บางทีคนเลี้ยงวัวเองก็เผลอมองออกไปนอกรูนอกทางใจลอยฟังเพลงจนลืมนะวัวมันก็เลยออกไปกินหญ้าข้างนอกโดยที่คนเลี้ยงวัวไม่รู้ บางทีกว่าจะรู้ว่าวัวออกไปนอกทางไปไกลแล้วต้องต้องไปเรียกวิ่งไล่กลับให้กลับมาอยู่ในทางแต่ถ้าแต่ถ้าคนเลี้ยงวัวนี่เฝ้าดูอยู่อ่างๆแต่ว่าดูอย่างต่อเนื่องไม่เพลอไผลวัวมันจะหลบไปนอกทางก็หลบไปได้เพียเดียวเดียวคนเลี้ยงวัวก็เรียกแค่ตะโกนเรียกเท่านั้นแหละไม่ต้องใช้ไม้ตีไม้ฟาดมันก็ เริ่มดูแล้วก็เดินกลับมาอยู่ในทางตอนหลังวัว น, นั่นก็เรียกว่าเพียงแค่จะเผลอยืน่นจะเผลอไปกินอะไรกินใบไม้ข้างทางบางทีคนเลี้ยงวัวไม่ต้องทำอะไรวัวรู้เองรู้ตัวทันทีพอเผลอไปอก็กลับมาเดินอยู่ในทาง วิธีแบบนี้นี่นะคนเลี้ยงวัวไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าไปเดินอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปล่างมันไปจูงมันเนี่ยเหนื่อยนะเด็กเลี้ยงวัวคอยจูงวัวให้ไปอยู่ในทางนี่มันเหนื่อยแต่ถ้าคอยเดินอยู่ตามมาตามมาข้างหลังแล้วคอยดูมันนะคนเลี้ยงวัวนี่ก็หมายถึงสตินะ ส่วนวัว น, นี่ก็หมายถึงใจหรือจิตที่ชอบคิดนึกทางนี่ก็หมายถึงอ า, อารมณ์ที่เราใช้เป็นที่ตั้งของใจเลมหายใจหรือว่ายิริยาบทหน้าที่ของเราในการพราณนาคือว่าให้จิตเขารับรู้อยู่กับกายอยู่กับอิริยาบถของกายลมหายใจท้องของยุบเลือดอะไรก็แล้วแต่ ให้อยู่กับกายแต่ว่ามันเผลอออกไปนอกทางอยู่เรื่อยนี่ก็เปลี่ยนมันก็วัวที่ชอบออกไปกินอะไรนอกทางหน้าที่ของสติก็คือเรียกนะให้มันกลับมาอยู่บนทางก็คือเรียกจิตให้อยู่กับทิเียบทอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าสติยังอ่อนอยู่ ก็เหมือนกับเด็กเลี้ยงวัวที่ยังเผลอมองโนวดมองนี่ออกไปนอกทางฟังเพลงจนลืมหรือว่าใจลอยนะสติที่ไม่เข้มแข็งก็ทาให้ใจมันคิดนึกเผลออะไรต่างๆได้ง่ายแต่พอมีสติมาคอยเตือนใจหรือคอยตลอมใจให้กลับมาอยู่ กับลีบฏอยู่อบ่อยๆอยู่อบอ่อยๆจิตเขาก็จะเริ่มคล่องเริ่มเชื่อมก็จะอยู่กับลยบทนั้นไปเรื่อยๆอันนี้คืออุปมาอุปไมยที่ที่จะเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าให้เรา ดูใจของเราอย่างนั้นแหละไม่ใช่ไปบังคับไม่ใช่ไปลากลูกถูกกลางนะไปบังคับจิตอันนั้นไม่ใช่จะคอยดูอยู่แล้วคอยเรียกเขาเป็นวิธีการที่ไม่เหนื่อยแรงนะไม่เครียดนะแล้วก็ได้ผลด้วยวก็ให้เราลองทำอย่างนี้ไปนะทด้วยใจที่สบายผ่อนคลาย วางเรื่องงานเรื่องการต่างๆเรื่องลูกเรื่องหลานเอาไว้ชั่วคราวให้ใจเราอยู่ที่นี่ตรงนี้นะให้ถือว่าปัจจุบนันขณะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดไม่มีอะไรสําคัญเท่านี้เพราะว่านี่คืออาจจะเรียกเป็นความเป็นความเป็นความตายของเราก็ได้เพราะว่า คนเราเนะี่ยถ้าถ้าสติไม่ไม่คล่คองไม่ชํานาญนี่ยมันก็สามารถที่จะตายได้ทุกเวลาเพราะว่าผู้ประมาทก็เหมือนกับผู้ที่ตายแล้วผู้ประมาทก็ผู้ที่ตายแล้ ว, ป ร, ลวประมาณเมื่อไหร่ก็มันก็ตายแล้วนะ แล้วบางทีก็าอาจจะเป็นการตายจริงๆก็ได้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเทคนโนโลยีที่มันมีอนุภาคขับรถใช้ไฟฟ้าเผื่อภายเมื่อไหร่ก็พลาดพลั้งเมื่อ น, นั้นแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราต้องตายจริงๆเนะี่ย้สตินี่แหละที่จะช่วยเราให้ผ่านพ้นภิกตจนั้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ จากนี้ไปก็ขอให้เราแยกย้ายกันไปปฏิบัติโดยตั้งในความสงบนะพูดคุยกันเพื่จำเป็นไม่คุกคีกันจะทำอิทธิยบทใดก็แล้วแต่นะก็ให้มีสติเรียนงอาก็ให้สำรวจกายวาจาไว้จะทำแลไรก็ตามนะก็ให้อยู่ในให้รู้ในอิทิยาบท กายเคลื่อนไหวเดี๋ยวกายอยู่ในใจอยู่นั่นถ้ากายเคลื่อนไหวก็รู้ใจคิดนี้ก็รู้ทำการสอบ ส, สักพักก่อนที่เรไจะไป